ท่านฟังที่เคารพคะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกับพระมาร์ชาคาวโรแห่งวัดนาปาพง์ลำลูกกาคลองสิบนะคะซึ่งท่านได้นําการปฏิบัติท่านได้อ่านพุทธวจนะให้กับพวกเราได้ฟังกันเต็มๆพระสูตรตอนนี้วัดนาปาพง์ของท่านนั้นก็ไปมาหาสู่ลำบากพระสงฆ์ก็อยู่กันลําบากนะคะที่ลำลูกกาคลองสิบนั่นเป็นเพราะว่าก็เจอภายุน้ำท่วม เหมือนกับคนอีกเป็นจํานวนมากของประเทศไทยค่ะมาถึงตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้พบกับพระจันทร์ไพบูลจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งตอนนี้ได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงสําหรับผู้ที่อยากจะหนีน้ําท่วมไปอยู่ที่วัดนะคะเป็นวัดที่สะดวกสบายด้านหน้าจะมีโรงพยาบาลที่เขาพัฒนามาจากอนามัยนะคะอยู่ด้วย แล้วก็ที่นั่นท่านก็ยังมีโอกาสถ้าสนใจจะปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติได้เลยแผมวยังรับโดยไม่เกี่ยงว่าท่านเป็นผู้ที่นับถือาศาสนาใดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับพระเพรบุ์อภิปุลโ น, โนซึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นและท่านก็ดูแลศูนย์อบยพมีด้วยเลยค่ะนวัฒการค่ะทั้งคะเชิญปอนค่ะเรื่องเกี่ยวกับศูนย์พักพิงก็คือว่าให้ท่านทั้งหลายที่ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมไม่สบายใจอะไรต่างๆได้ออกจากบริเวณที่มีความเสี่ยงแล้วก็มาอยู่ในบริเวณสถานที่ที่ไม่ค่อยแออัดละ่ะที่นี่ก็มีคนมาประมาณสักิบคนแล้วตอนนี้ค่นะค่ะคนก็อาจจะเห็นว่าไกลไปหรืออีกอีกอย่างกลัววัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ <laughs> แต่ที่นี่เราก็รับได้อยู่ห้าร้อคนรับได้ค่ะนะค ะ, <laughs> ะมีโอกาส แล้วก็คิดว่าไหนๆนามันท่วมแล้วไปอยู่ไกล้ๆได้ดีกว่ามันจะได้ท่วมไม่ถึงนี่เพราะว่าบางคนไอ้ออพยพหลายรอบน ะ, ะท่านกเ็ออกกเถิบออกไปยิ่งกระเถิดออกไปก็ยิ่งไกลออกไปทุกทีค่ะเรื่องนี้จะมาก็ยังได้เคยพูดอยู่นะในในบางตอนกับลูกศิษย์ลูกหาที่ว่าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ อ, อุทยาตอนที่มันยังไม่ท่วมเนี่ยได้ยินข่าวสึนามิใช่ไหมความกังวลใจของเราเนี่ยก็จะระดับหนึ่ง โอ้ยเขาน้าท่วมขนาดนั้นเราก็กังวลใจนะเป็นซีนามิเป็นแผ่นดินไหวต่างๆด้วยถ้าเราอยู่อยุธยาทีนี้เราก็ได้ข่าวว่าเชียงใหม่มันท่วมเนี่ยเราก็เลยหนีมาอยู่ที่ปทุมธานีนะพอหนีมาอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยได้ข่าวว่าอายุธยาท่วมแล้วเนี่ยท่วมมิดหัวเนี่ยความกังวลใจของเราเนี่ยก็อยู่ระดับหนึ่งนแล้วทีนี้พอเราได้ข่าวอายุธยาท่วมแล้วเนี่ยเราหนีมาอยู่นนทบุรีอย่างเงี้ย น, นะก็ได้ข่าวว่าปทุมธานีท่วมแล้วเนอะพอหนีมันอยู่นนทบุรี ก็ได้ข่าวพอได้ข่าวปฐุมธานีท่วมแล้วก็หนีมาอยู่กรุงเทพชั้นในก็ได้ข่าวว่านนท บ, บุรีบางส่วนท่วมแล้วอีกอย่างเงี้ยนะถามต้องถามคนที่ค่อยๆ ย, ย้ายมาเนี่ยจะพบว่าความกังวลใจของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่อยุธยาได้ยินข่าวสึนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความกังวลใจน้อยกว่าตอนที่เราอยู่ปทุมธานีได้ยินข่าวน้ําท่วมที่อยุธยาเป็นต้นนะมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าอันนี้พระเาเปรียบเหมือนกับม้าอาชานัยสประเภท จำได้ไหมที่เราพูดถึงว่าถ้าสมมติคุณอยู่อ้จุฬาฯเนี่ยแล้วคุณปล่อยวางได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคุณจะไม่ต้องแบกความทุกข์มาจนถึงกรุงเทพชั้นในสมมติกร <Okay. S 1> ุงเทพชั้นในมันท่วมนะแล้วปรากฏว่าเราก็หนีหนีหน้ําท่วมมาเนี่ยปรากฏเราเห็นว่าเอาน้ํามันมีกระแสะไฟฟ้าอยู่อย่างเงี้ย <Okay. S 1> น้ำมันกระไฟฟ้ามันรั่วนในน้ํานเนี่ยเราก็พยายามจะหนีไม่ให้น้ํามันมาโดนตัวเราจนถ้งไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยเราจึงค่อยปล่อยวางตรงนั้นเนี่ย เราพบว่าโอ้ยเราแบกความทุกข์มาตั้งแต่อยุธยาเนี่ยจนถึงจุดที่ว่าน้ํามันจะมาถึงขาเราแล้วน้ํามีไฟฟ้าด้วยเนี่ยเราจึงค่อยปล่อยวางเนี่ยโอ้ยมันจะทุกข์มาตลอดในซึ่งเราปล่อยวางตั้งแต่แรกๆตอนอยู่ปทุมธานีนนท บ, บุรีเนี่ยจะดีกว่าค่ะนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาให้กับท่านที่กําลังมีความทุกข์จากน้ําท่วมตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะที่ท่านเจบือ น, นามามอบให้ท่านคะทีนี้มีคําถาม คำถามไี่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ดิฉันต้องบอกท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าดีฉันไม่ได้ถามเองแต่เดีฉันคิดเหมือนคนที่ถามค่ะคนที่ถามชื่อคุณอะไรนะคะชนทิกาคุณชนทิกาถามท่าเลลมาจากคุณชนทิกาถามท่านวิวูนไปที่อุดอรเลยนะคะบอกว่าค่ะคุณชนทิกาอยากให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอคติว่าถ้าเราฝังใจในฐานการรับรู้เช่นไม่ชอบพวกกีฬาสีทั้งหลายนะคะเขียวเหลืองแดงน้ําเงินอมาดไพร่รวยจน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ทำการใดๆที่เราคิดว่าไม่น่าชื่นชมแล้วเราก็ตัดสินเข้าในใจไปเรียบร้อยก่อนที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มาบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้เราลดละเลิกอคติจากใจได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันซ่อนละเอียดอ่อนจนตามแทบไม่ทันจะเผอให้มันออกมาในรูปของกายกรรมวจีกรรมอย่างที่ถ้าไม่วิเคราะห์ทีดีจะไม่รู้เลยว่าพูดหรือทาแบบนั้น เพราะเรายังมีอคติฝังลึกอยู่เป็นกันเยอะนะคะไม่ใช่เราแค่สองคนค่ะคุณโชติกาเราควรจะคิดซะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติไม่มีสีใดๆครับพูดการกระทำใดๆที่ผ่านเข้ามาในการรับรู้ของเราก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราก็ดูมันไปเฉยๆแต่ไม่ต้องเอาใจตัวเองเข้าไปยุ่งข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นหรื อ, อมไม่คะในกรณีที่การจะทำาคนกลุ่มหนึ่งจะมีผลต่อความสุขสมบูรณ์ของคนส่วนรวมในกรณีที่เรารู้ว่าเขากลั่นคา ร, รับชัน่นหรือทำประโยชน์เข้าตัวเองมากกว่าส่วนรวมเราควรจะเอาอาคติออกก่อนแล้วใช้พรมวิหาร4ี่สุดท้ายเราก็อุเบกขา ทำอะไรไปไม่เกิดผล <c oughs> ก็ปล่อยให้เป็นบุญกรรมของส่วนรวมอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ท่านคงจะต้องแปลพวกศัพท์เทคนิคด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อว่าบางท่านที่ไม่ชํานาญภาษาธรรมะอย่าง <c oughs> คุณโชติกาค่ะอันนี้ต้องอไล่ไปทีละประเด็นประเด็นแรกเอาเรื่องคําำอาคติก่อนค่ะ <c oughs> อาคตินี่ก็คือว่าลำเอียงนั่นแหละเนอเข้าข้างฝ่ายนี่เข้าข้างฝ่ายโน้อนอ่ะนะ <c oughs> ทีนี้อาคติเนี่ยมันมีอยู่4แบบลำเอียงเพราะรักก็มีอันนียอันที่หนึ่งลำเอียงเพราะกโกรธ ก็มีนะอ น, นที่2อันนี้3าคือลําเอียงเพราะกลัวอันที่3คือลําเอียงเพราะหลงรักโกรธกลัวหลงนะมี4ี่อย่างคนจะลําเอียงเนี่ยเพราะเหตุ4อย่างนี้เท่านั้นเองไม่มีอย่างอือ่นเนาะผู้ ก, กีฬาสีต่างๆสีเขียวเหลืองแดงน้าเงินอะไรก็ว่าไปก็จะเข้าข้างเพราะรักฉันรักฝ่ายนี้ฉันเกลียดฝ่ายนูน้นหรือฉันกลัวคนนี้ฉันจึงต้องรักเขาอย่างนี้ก็จะมีกลัวภยัยนะหลงว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะ อันนี้คือความอาคติทีนี้คุณเจ้าของคําถามคุณโจติกานี่ยได้อธิบายเทคนิคที่ตัวเองคิดว่าจะละอคติได้ก่อนนั่นนี่คือความเห็นคุณโจติกาที่จะพูดต่อไปนี้คือก็ให้ปล่อยวางเรื่องความเป็นสีเป็นอะไรซะใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาจากนั้นก็ใช้พรหมวิหารสี่คือเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมแล้วก็ในการที่จ ะ, ะประคองจิตของรเราให้อยู่ได้น ะ, ะทีนี้ผู้เรียนว่างไง อาการอย่างที่เรามีอากตีเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันคือการผูกเวรนะการผูกเวรสมมุติคนเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาอาจจะเจตนาดีหรือไม่ดีเราไม่รู้สมมุติเขาเจตนาดีแต่ว่าภาษะนั้นมาทำกระเทือนจิตเราอย่างเช่นอาตมาเดินไปเราอาตมาก็มีเมตตาอยู่ตลอดนะเราทำจิตสบายๆมีสติอยู่ในลมหายใจปรากฏไปเหยียบหอยตัวหนึ่งหอยตาย มันยังไม่ตายเลยเหรอกตอนที่มันกําลังยืดยืดอยู่กําลังจะตายเนี่ยมันเหลือบตา ม, มามองเราทีหนึ่งมันก็พบ <Okay. S 1> ว, ว่าอ๋อไอ้หมอนี่เหยียบเราฉันจะผูกเวนกับมันเรามีจิตเมตตาตลอดนะคุณโยมติว๋ว <Okay. S 1> แต่สิ่งที่เราทําไปเนี่ยไม่มีความที่จะเบียดเบียนหอยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ <Okay. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหอยจะตายเราเหยียบ <Okay. S 1> หอยผลักจัที่เกิดขึ้นกับหอยนั้นคืออะไรหอยเขาก็มีความทุกข์สิเขาจึง <Okay. S 1> มาผูกเวนกับเราเ <Okay. S 1> นาะอันนี้คือหอยมาผูกเวนกับเราทั้งๆที่เราทําความดีนะ ค่ะทีนี้ก็เป็นไปได้ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในสังคมเช่นพูดออกทีวีเป็นต้นค่ะถามว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกกระดักด้วยเจตนาที่ดีเนาะเขาได้ข้อมูลแหมงเขาจึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมปรากฏมันมากระเทือนจิตเราทําให้เราไม่พอใจเสร็จแล้วฉันจะผูกเวรกับไอ้หมอนี่อ๋อมันอยู่ในทีวีหน้าตามเป็นงี้ผูกเวรณจึงทําให้เราเกิดอากติขึ้นนี่คืออากติคือการผูกเวรนั่นเองค่ะ ทีนี้ถามว่าต่อจะแก้อยังไงพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าการที่จ ะ, ะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีเวรไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเนี่ยนะคุณต้องมีบริการของจิตบริการเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือน ะ, อะอเช่นว่าไปต่างจังหวัดคุณต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้นะอาหารการกินเขาเรียกว่าบริขารอย่างพระก็ต้องมีก่อนจะบวชคุณต้องมีบริการแปอย่างพะพุทธเจ้าจึงพูดถึงบริการของจิต อุปกรณ์ที่จิตเนี่ยจะต้องมีมิ้นหัวห้อย่างนะที่จะทําให้จิตเนี่ยไม่มีเวรไม่ผูกเวรเขาไม่เบียดเบียนเขา ใ, ให้จิตเรามีความคิดอย่างนี้นะอย่างแรกแคุณต้องเป็นคนพูดความจริงในอย่างที่คุณโชติกาพูดออกมาว่าฉันมีความรู้สึกเนี่ยดีมากเลยคุณพูดความจริงละเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาอย่างของพระเนี่ยก็จะมีการระบบที่เรียกว่าปรงอาบัตใช่ไหมฉันจะมาไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยบี้ยุงตัวหนึ่ง มันมากวนเหล้วเกินเอ้ยเราทําความผิดเราจึงต้องไปเปิดเผยความผิดนี้กับคนอื่นค่นะนั่นคือพูดความจริงออกมาอนะัที่สองเนี่ยเป็นผู้ทําความเพียรความเพียรในที่นี้คืออะไรเอาอัเอาอ ก, กุศลออกจากจิตเอากุศลเข้าในจิตนะเพียรอยู่เรื่อยๆเพียรอยู่ทุกลมหายใจนะเพียรอยู่บ่อยๆนะเราจะาได้คือล้ําหน้าขึ้นๆไปนะก้าวหน้าขึ้นขึ้นไปอันที่สาเนี่ยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือปฏิบัตินั่นเอง ผู้ประพฤติประจำในที่นี้ก็คือหมายถึงถือศีลแอยู่เรื่อยๆนะับถือถืศีลแปฏิบัติศีล8อยู่เป็นประจำอันที่4ี่เนี่ยเป็นผู้มากด้วยการสาธยายมนคือสวดมนนะสวดมนในที่นี้ก็คือพยายามที่จะท่องจําคำของพระพุทธเจ้านั่นแหละเอามาซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆนะเป็นการสวดมนว่ากันเองแล้วก็อย่างที่5เนี่ยเป็นผู้มากด้วยการบริจาคกาันใะห้การให้การบริจาค อย่างอาราอาจจะมีพระองค์ใดองค์หนึ่งพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งอามาไม่พอใจอาราจะทํำยังไงอารานะมีวิธีแก้ที่เขาเรียกว่าเอาหํายอกเอาหําบ่มเลยค่ะคือนี่คือประสบการณ์กับตัวเองสมมุติมีใครพระองค์นี้พูดแล้วเราไม่พอใจเราจะเข้าไปขอเข้ามาเขาทันทีเราจะเข้าไปขอเ ข, าาเขา้ามาท่านองค์นี้ทันทีว่าโอ๊ยขอโทษแต่ท่านผมมีความรู้สึกไม่พอใจที่ท่านพูดอย่างนี้ขอเข้ามาด้วยกราบสมทีมั่มมั เราจะรู้สึกเบาลงไปเลยน ะ, ะเรารู้สึกสบายใจขึ้นทันทีว่าโอ้ยเราคิดชั่วเพราะว่าเราไปคิดไม่พอใจกับเขาอ่นะเนาไม่พอใจกับสิ่งที่อย่างที่คุณโชติกาพูดแต่แหละว่าก็เป็นธาตุที่เป็นธาตุตามธรรมชาติของเขาเสียงที่ผ่านมาก็เป็นธาตุลมค่ะนะอืมลักษณะนี้ค่ะสมมติว่าอืกรณีอย่างไม่ใช่สมมุตินะคะอย่างที่คุณโชติกาเป็นเนี่ยเดี๋ยวยังคิดว่า มีคนจเนวนมากที่เป็นแบบนี้แต่ว่าคิดออกมาเป็นระบบที่จะมาบอกกับท่าอาจารย์ไม่ได้อย่างนี้จริงๆออือนี่เขาเรียกว่าอะไรคะรู้ทันมีสติไหมคะเป็นคนรูสติผู้ที่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอ๋อค่ะ <c oughs> อย่างคุณชติกาเนี่ยก็เป็นกรณีที่ว่าจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายคือรู้ว่าระจิตของตัวเองไอ้เว่าจิตขนันธ์ทาไมมันเป็นอย่างนี้ มันไปผิดแนวแล้วนะมันไปผิดทางนี่จะทำยังไงดีอ๋อมันเกิดเป็นลําดับลําดับขึ้นอย่างนี้อนะ่ะ่ะเพราะฉะนั้นจึงลําดับให้ฟังขั้นตอนได้อย่างนี้จึงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าห้าอย่างตรงเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญจะทำะให้จิตของเราไม่ผูกเวรคือดิฉันรู้สึกอย่างนี้ค่ะว่าจากประสบ ก, การณ์ที่เราใช้ชีวิตมา น, นี่แหละก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการที่จะมีความคิดอย่างเป็นระบบในลักษณะนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะคะมันมาจากการที่ฝึกฝึกสติ จากการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถูกต้องอันนี้ก็เป็นผู้ที่ทำํำเป็นผู้มีความเพียนไงค่ะและทําความเพียนอยู่เรื่อยๆเค่ะดังนั้ น, ท, นท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าเออพอมาฟังคุณโชติกาพูดแล้วอืเราก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ทําไมเรานึกไม่ออกเหมือนคุณโชติกาเนี่ยออื <c oughs> ก็ขอให้เข้าใจเลยนะคะว่าถ้ายังไม่ได้เข้ามาสู่แนวทางของการที่จะฝึกสติให้มันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดน้อยหรือไม่เกิดขึ้นอย่างที่เรารู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเราจะรู้ว่าเออเราทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะระ ง, งับยับยั้งได้ใช่ใช่แล้วก็<น>วันนี้ค่ะคนที่จะแก้ปัญหาได้เขาต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะคะก็คิดว่าคำถามของคุณโชติกาเนี่ยคือเรื่องน้าท่วมเนี่ยคะ่ะท่านคะ <c oughs> นั่นก็กังวลมากเลยนะว่าเอบ้านเมืองเรามันก็มาถึงจุดที่ความขัดแย้งต่างๆมันผ่านมาจนกระทั่งคลี่คลายดีขึ้นแล้วอืแต่ทําไมเหตุการณ์น้าท่วมเนะี่ยดูเหมือนกับว่ามันมาพร้อมกับไอ้ทุกข์จากภัยน้ําท่วมตรงไปตรงมาแล้วก็ยังเป็นทุกข์จากเรื่องของความขัดแย้งที่มันกระเตื้องขึ้นมาอีกนะคะอืมใช่พทดกระไปโทษกันมาอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นเรื่องที่เป็นเป็นอย่า ง, งานั้นแหละคุณโยมติว๋วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมีทุกข์ก็เวทนา พอคนมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รรับการฝึกจิตนะเขายังเป็นจิตที่เป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องกระฟัดกระเฟียดกระด้านกระเดื่องนะโกรธขัดเคืองด่ากราดเป็นธรรมดาหรือไม่ก็ร่ำไห้ครรำครวบทุกบกชกตัวมุนงงคลั่งเพอเป็นได้สองกรณีคือเหมือนกับว่าถ้ามันมีอาการดังนี้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นที่คนอื่นเขาเกิดเราก็จะไปว่าเขาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา หรือว่าที่มันเกิดจากเราเราก็จะไปว่าเขาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องปรับปรงแก้ไขงั้นหรอคะธรร ม, มดาในที่นี้นี่คือหมายว่าการตกเป็นทาสของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเลวร้ายที่ต้องหยุดต้องแก้ต้องทําให้มันสิ้นสุดไปเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงน่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติตรงนี้เราจะมาคุยต่อในวันพรุ่งนี้จะเพิ่มจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกัน เช่น oh, okay. ว่าเราควรจะทําจิตยังไงเราควรจะพูดยังไงในกรณีไหนกรณีไหนอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งถ้าในกรณีของคือให้เข้าใจไปไว้ในเบื้องต้นตรงนี้ว่าถ้าสมมุติคนเนี่ยธรรมดาเดี๋ยวพอมีความทุกข์แล้วเขาก็จะต้องมีการตอบสนองในความทุกข์นี้ทํายังไงให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือของเขาเนี่ยมันลดลงไปได้ได้ <Okay. S 2> ก็จะต้องค่อยค่อย ฝึกจิตตรงนี้อย่างที่คุณโยมติวพูดถึงเรื่องของสติเนี่ยมีความสาคัญมากๆาเลยค่ะค่ะก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านพระบูรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อนฟังที่เคารพค่ะถ้าจะไปอพปยบอยู่วัดป่าดอนหายโศกติดต่อกันไปนะคะส่วนรายการของเราไม่ได้ไปไหนคะ่ะน้ําท่วมไงก็ไม่ถึงวิทยุครอบครัวข่าวนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุกวันคะ่ะในวันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ วันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพู้ทวัด ส, สวัสดีค่ะ